เจริญวิปัสสนากับเจริญมรรคเหมือนกันหรือไม่เจริญมรรคในประเด็นที่ยอมมรรคที่เป็นมรรคบนริงไหมขอเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาหมายถึงว่าจะไปนยังไงคือในคำสอนตนี้พอยอมหลานจากนี้พูถึงเรื่องมรรคก็ทําให้นึกถึงนึกถึงโจเรื่องของการในมหาจตาริสศัก ก็ไม่มี ha, สุขอีกเรื่องหนงพอจบประเด็นในนั้นท่านจะกล่าวว่าเจริญสมาทิฏฐิ่ไท่านจะตั้งประเด็นบอกว่าต mm. ั้งจะท่าจะตั thinking, ng, ้งประเด็นสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะบอกว่าก็บอกสมาสมาธิที่เป็นอริยะนี่เป็นชาติที่มีเหตุเป็นชาติที่มีปัจจัยที่มีประวัตแล้วมีปัจจัยแวด้อะไรล่ะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของสมมาสมาธิที่เป็นอริยะ ก็ต้องเข้าใจว่าสมาธิที่เป็นอริยะเนี่ยถ้าตามหลักของพิมุตตายตนะที่พระตถาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ที่บอกว่าปราโมทปีติประสริฐความสุขแล้วก็สมาธิสมาธิในที่นั้นจะแก่สมาธิที่ในอรหัตผลเพาะนั้นสมาธิที่ในอรหัตผลก็แปลว่าเป็นสมาสมาธิเป็นสมาธิที่บุรุคนแล้จะขี่ยทั้งปวงใช่ไหมทีนี้ท่านตั้งหลักบอกว่า สมมาสมาธิที่เป็นอริยเนี่ยเป็นธรรมะที่มีเหตุเป็นธรรมะที่มีปัจจัยแล้วอะไรละคือเหตุอะไรละคือปัจจัยของสมาสมาธิที่เป็นอริยท่านก็บอกว่าสมาทิ่ิสสมาสังปาสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวสมาอวิมารสมาสติเจ็ดองเนี้ยเป็นเหตุแล้วก็เป็นปัจจัยเป็นบริขารของสมาสมาธิที่เป็นอริย พอพอย่างนี้เบียดเร็จแล้วเลยบอกว่าในบรรดาเจ็ดองนั้นน่ะสมาธิฏฐิเป็นประธานสมาธิฏฐิเป็นประธานอย่างไรสมาทิฏฐิเป็นประธานก็คือว่ารู้จักสมาธิฏฐิว่าเป็นสมาธิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏิว่าเป็นมิจฉาทิฏิความรู้ของเธอจี่จะเป็นสมาธิฏฐิถูกไรู้จักสมาวายมะรู้จักสมาวายมะว่าเป็นสมาวายมะ รู้จักมิจฉาวายมะว่าเป็นมิจฉาวายมะพอรู้จักสมาธิว่าเป็นสมาธิรู้จักมิจฉาทิติว่าเป็นมิจฉาทิติความรู้ของเธอดีเป็นสมาธิท่านพูดสติรู้จักสมาสติว่าเป็นสมาสติมิจฉาสติก็เป็นมิจฉาเสียความรู้นี้ยิ่งจะเป็นสมาธิเลยทุนสรุปก็คือตัวสมาธิก็จะไปรู้องมรรคทั้งหมดนี่นะว่าอะไรเป็นมิจฉามากอะไรเป็นสมามากแต่ถ้าหาว่าสมมาสติเนี่ยถ้าจะตามเรืลึกเนี่ย ถ้าจะเจริญน่ะเจริญมัญย้ยเจริญยังไงก็อนี่ยรู้จักสมมารถตสติเ ป, เป็นสมารถสิมิจฉาทิจิก็เป็นมิจฉาทิจความรู้เป็นสมารถสติส่วนสมาสติก็คือว่าระลึกระลึกเนี่ยเพื่อจะละสติที่ตามระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิจิเพื่อจะเข้าถึงสมมารถทิจิสติเหล่านี้ยถึงจะเป็นสมาสติเยียวยายามที่จะละฉาวายามะ เพื่อเข้าถึงสมมายมะหรือก็คือจริงๆเนี่ยเพียรพยายามในการที่จะร่างนิชขาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสัมมาธิฏิความเพียรของเธอนนี่ยยิ่งจะเป็นเป็นอเป็นสา ม, มาธิฏฐินะสรุป ก, ก็คือว่าขยายสา ม, มาธิฏฐิสมาธิฏฐิสัมมาสติแล้วก็สมมาวายมะเนี่ ย, ยเอาสามองค์เนี่ยไปแวดล้อมวิชขาทิฏฐิทําความเข้าใจให้ถูกแล้วก็ขยายความ ถูกเห็นถูกในชัดเจนขึ้นสรุปแล้วก็คือมาจัดการกับความเห็นอันนี้คือเจริญมรรคมองประเด็นออกไหมเนี่ยก็คือว่ากรณีที่ว่าว่าปกติเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยมีความเห็นผิดด้วยการที่มีความเห็นผิดที่แหละท่านให้เจริญสมาธิถี่ว่าอันนี้นะสมาธิถี่ท่านก็ตั้งประเด็นไว้เลยสมาธิถิ่เคืออะไรสิประการยังไงแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงพอตั้งประเด็นอย่างนี้เบียเศษ เป็นสมาธิถี่เพราะเขา้าใจชัดแล้วต่อมาก็คือมาเจริญสัมมาวยามะสัมมาวายมะเพื่อจะล่อะไรเพียนเพื่อจะล่อะไรล่าความเห็นผิดเพื่อจะเข้าถึงสมาธิถิความเพียนของเธอนี่จึงจะเป็นสัมมาวยามะเพียนชอบสติก็ตามระลึกเพื่อจะล่าความเห็นผิดเพื่อจะเข้าถึงความเห็นที่ถูกสติของเธอจึงจะเป็นสัมมาสติก็ใช้ สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาวายมะคือเพียรชอบสัมมาสติคือการระลึกชอบนี่แหละแวดลอ้อมสัมมาทิฏฐิขยายสัมมาทิฏฐิให้กว้างขึ้นในทุกอารมณ์เอาวิจัยรูปก็ให้มีความเข้าใจถูกในรูปวิจัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ให้มีความเข้าใจชัดสิเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเป็นไปลักษณะ น, นี้ลักษณะยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำสัมมาทิฏฐิให้กว้างขวาง คิดต่อไปก็สัมมาสังกปะตัวปัญญาก็ไปวิจัยเลยรู้จักสัมมาสังกปรตว่าเป็นสัมมาสังกปรตก็รู้จักมิจฉาสังกปรตว่าเป็นมิจฉาสังกปรตความรู้นี้ถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเพียนพยายามเพื่อจะละหรือเพียนพยายามในการที่จะละมิจฉาสังกปรตเข้าถึงสัมมาสังกปรตสติตามเล็กเพื่อจะละมิจฉาสังกปรตเข้าถึงสัมมาสังกปรต รักงนี้ความเพียรเป็นสมาวยามะสติที่เป็นสมาสติก็ใช้สมาธิเห็นชอบสมาวยามะเพียรชอบสมาสติระลึกชอบสามองค์นี้ไปแวดล้อมสมาสังกปะก็ขยายการดาดิบไปในทุกๆอารมณ์อันนี้คือเจริญมาต่อไปก็คือสมาวิจาต่อไปก็สมมากรรมตะสมาชีวาสมาวยามะสมาสติท่านก็ใช้สามองค์คือสมาธิฐิสมาวยามะสมาสติไปแวดล้อม ทำมรกเหล่านี้ให้แข็งแรงสมารมรให้แข็งแรงเพื่อปิดกั้นมิจฉามรรคถ้าเจริญลักษณะนี้นะดูว่าเจริญมกก็แสดงเื่อเจริญสม า, ถารามาถสติส ม, า, า, า, า, ม า, า, ยยามาิ้แล้วก็สมาวยารงนี้เป็นองค์ประธานตัวสมาที่จริงเป็นประธานอาจจ ะ, สะแสดงสติเป็นประธานไว้ก็จริงนะแต่ถ้าบางสูตรท่านแสดงเอาปัญญาเป็นประธาน สรุปก็คือว่าสามองค์นีเป็นองค์เลยสมาทิฏฐีสมาวยามสมาสติคร น, นี่ผมไม่เข้าัายว่าการที่เจริญสิ่งนี้ได้เนี่ยจะต้องเจริญส ม, มาสัมมาทิิใช่ไหมเว่าตัวสิ่ง น, น, นอ้มันยังิดนะต้องเจริญก่อนไหมเพราว่าที่พูดกันหมายว่าจะดูว่าจะต้องเจริญสิ่งแข็งแรงเพื่อเป็น อ๋อเคื่อง ค, คืออย่างนี้มันมีสองประเด็นศีลชำระปัญญากับปัญญาชาระถ้ากลุ่มที่เป็นคนที่สั่งสมัทยาสัยมายาวนานกลุ่มเหล่านี้เขาใช้เวลาในการที่เจริญกุศลศีลได้ตักเดียวเองแงแรงกันดีเลย อย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้างบา ร, รมีมาอย่างสันตติมหาหมาดนี่แสนกลับนี่นะเมาเนี่ยนะแม้วันจะบรรลุยังเมาอยู่เลยเนี่ยเนี่ยปัญญามาชําระกุศลศีแต่ถ้ากลุมอ่อนแออย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจเลยอะ่ะเขาใช้เวลาในการศึกษากุศลธรรมแป๊ดเดียวอะ่ะกุศลเก่าของเขาเนี่ยกระตุ้นเตือนประชุมในกระแสขันของเขาแรงมาก นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ต่างนั้นกระมมุมเลยอยากเข้าใจว่าเราจะทําอย่างท่านได้เพราะเราเนี่ยต้องเป็นคนที่บําเพ็ญบา ร, รมีมาไม่แข็งแรงเท่าท่านอย่างแน่ น, นอนดูจากการศึกษาระธรรมรู้ทันทีใช่ไหมถ้าแข็งแรงไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยถ้าบา ร, รมีเต็มๆ ม, มาเนี่ยไม่ใช่น่าจะปื้ดปลารกมากกว่า น, นี้เยอะแยะใช่ไหมใช่น่าจะมีวิธีคิที่เป็นไปได้ว่าทำวุ่นวั่งแข็งแรงมากกว่า น, นี้ ทั้งอย่างนี้ก็ต้องใช้ศีลเชิญระปัญญาก็ต้องเดินกุศลศีลให้บริสุทธิ์ตรงนี้ก็พอจับประเด็นได้แล้วนะแต่ว่าในรายละเอียดจริงๆปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องคุยกันค่อนข้างเยอะถ้าพูดเรื่องบอกเป็ น, เป น, เป น, นขั้นเป็ตอะหมายถึงว่าจริ่ศีลไปเริ่มสาธิแล้วก็ไปเริ่ปัญญาอ๋อคืออย่างนี้นคือคือเดี๋ยวพอพูดเรื่องศีล จ, จะเข้าใจเพราะจริงๆพูดเรื่องศีลอย่างเดียวเนี่ยยันอริยมรรค อย่างไรเนี่ยนะเพราะจริงๆเป็นขั้นตอนไม่เป็นถามบอกว่าต้องรักษาสีให้บริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วต้องอุศรสีเนี่ยต้องเข้าใจอย่างชาัดเจนไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอนะ่ะถ้าสุจริตสามไม่ดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะประชุมสติีประธานลงได้ในมหาจตารีสกัดสูตรเนี่ยท่านอุปมาอีชัดมากท่านอุปมาบอกว่ า, ก, วากรณีที่จะปลูกเมล็ดพืชมีปลูกข้าวกล้าเป็นต้น รุดนั้นก็จะต้องใช้อุปกรณ์มีมีดเป็นต้นเนี่ยในการที่ไปถามป่าเมื่อถามไปเสร็จแล้วเอาป่ามากองกันแล้วก็ไฟเผาถามไปเสร็จแล้วก็เผาเผาเผาจนจนเปลี่ยนโล่งไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไถเริ่มจึงเหมาะในการเพราะปลูกข้าวกล้าชั้นใดกรณีที่ว่ากายกรรมวจีกรร ม, รรมตลอดถึงมโนกรรมยังรบรุงรังไปด้วยราค า, าโทสะมหย ยังไม่คู่ควรต่อการจะประชุมสติปัฏฐานหรือมัดเบื้องต้นลงได้เลยเพราะสุจริสามไม่แข็งแรง ท, ที่ตรงกับสูตรอีกเยอะอีกมากมายในพระไตรปิฎกใช่ไหมฉะนั้นถ้าชําระตัวกุศลศีลไม่ดีสุจริสามจะดีอย่างไรเมื่อสุจริสามไม่ดีสติปัฏฐานก็เกิดไม่ได้ถ้าสติสารไม่บริบูรณ์โคชงไม่บริบูรณ์มัดไม่บริบูรณ์บรรลุไม่ได้ มันมีขั้นตอนของการประชุมจริงๆตรงนี้ถ้าพูดกันตามหลักพระอ า, าจารย์ที่ท่านให้แนวไว้ก็ชัดตรงที่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายลบรบลงหลังด้รกชัดอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยใช่ไหมชัดทั้งภายในและภายนอกอยังกระแนงไัยที่ประสานยังยังแนมราคะาโทสะโมหะมานาทิถิวิจิริจาริการโนตปาประชุมหนาแน่นในกระแสขันปัณณ์เนี่ยจะเอาวิปัสสนาไปประชุมลงอย่างไง มันไม่ใช่ถานนะมันต้องถากต้องถามต้องชําระกุศลศีลให้แข็งแรงและทําสุจริตสาวไม่เดินได้อย่างกว้างไกลจึงเหมาะแก่การที่จ ะ, ะประชุมเสด็จประธานลงในงกระแสขันฉันเป็นอย่างนี้ดีฉันตรงนี้ก็ก็ดีถามประเด็นตรงเนี้เป็นเรื่องดีๆเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นและตอนนี้สุนทราเราแล้ ว, วนะขาถึงไม่ดีแล้วขากระดาษรักษาถึงไม่ดีแล้ว ้เเราจะ จ, ราาาราจะป อ, อ่อ้าวตรงเนี้เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะไปอธิบายเรื่องสีเลยคําตอบจะ่อยู่ในอวิชกามาสีซึ่งวันนี้เตรียมมาเวลาเหลือประมาณชั่วโมงก็ไปยาอนยักขับในใ น, นทงังนะเป็นประเด็นเดียวกับที่ยอมตั้งประเด็นไว้เลยเพราะว่าจะเข้าใจาเลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองในศ า, าสนาเขาจเจริญสีกันเรื่อง น, นี้ตรงนี้ก็คือตรงนี้อามาจะพูดพระธรรมอาจจะไม่ ถือว่าเป็นการพูดไม่ละเอียดซึ่งอาหมาก็ทํากิจที่ไม่ไม่ดีเยอะจริงๆต้องยอมรับที่อาหมายกประเด็นเรื่องการอย่างนี้นะประเด็นที่ต้องขยายอีกเยอะมากก็คือประเด็นในเรื่องการ อ, อาชีวะปฏิสุทธิศีลก็คือการมดเว้นในพระบาลีท่านวางเข้าไว้นะนะที่บอกการพูดหลอกลวงการพูดและเลมการทํานิมิตการด่าแช่งการสแสวงหาราบด้วยราบแล้วท่านก็บใครข ย, ยายเลย ขยายการพูดอินราชกาลและความเสรเสริญอย่างไรปุหนะวัตถุกการเสพปัจจัยในยนะักพิสูจในศาสนานี้กข่าวดีทั้งหลายนิมนต์พิสูจ ด, ด้วยจีวรบินนาบเสนาสนะกีฬาและเภสัตชบริการพิสูจนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความปรารถนาครอบงำแล้วมีความต้องการจีวรบ้างอาหารบินนาบเสนาสนะที่เหมาะสมที่สวยงามกีฬาในเภสัตว์บริการอยู่ าอาศัยความอยากคืออาศัยปัญหาที่เกิดขึ้นในกำมูลน้ยนดานตนนี้เลยถ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็บอกปัดจีวรบอกปัดวินทบาทบอกปัดเสนนาสนะกีฬาพิบริฐานเธอพารนาอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรของสมนาด้วยจีวรที่มีค่ามากการที่สมนาพึงเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วจากป่าชา้าจากเขา อ, อยากเยื่อจากร้านตลาดทาสังคติ นี่เป็นสมการสมควรประโยชน์อะไรการบินรบาด ท, ที่มีค่ามากไปต้นสลายไปตามดับทำทีทำท่าว่าเป็นผู้มีความมักน้อยสนโดดแท้ที่จริงก็คือใจปรารถนาปัดเรื่อยๆแต่เพื่อความปรารถนาที่อยากจะได้ของที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองแต่อุบายวิธีในการลักษณะนี้ก็ก็เรียกว่าป uh ูหานวัตถุคือการเสพั จ, จนะการเสพั จ, จที่ ที่เป็นไปด้วยการปรารถนาลามกอย่างเนี้ยในรายละเอียดเนะี่ยท่านจะพูดไว้ค่อนข้างมากถ้ามาสาธยายตรงเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างเยอะจริงๆตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็จะต้องจะต้องศึกษาทำความเข้าใจถามว่าสําคัญไหมสําคัญจะได้โดยเฉพาะถ้าได้แล้วต้องศึกษาพวกนี้มากเพราะว่าอาชีวประดิษฐ์ทิศศีนเนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์ถึงการเลี้ยงชี ลิกโซนั้นต้องมีอาชีวะที่บริสุทธิ์มีการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์คำว่าสัมมาอาชีวะขับเน้นอะไรสัมมาอาชีวะนั้นขับเน้นตัวกุศลจิตตัววิริยะเจตสิก ท, ที่มีความเพียรที่เป็นไปกับความบริสุทธิ์เพราะตอนนั้นกุศลจิตกําลังเป็นไปอยู่แล้วก็มาไม่ประพฤติกายเจตุจริญด้วยแล้วก็ไม่ประพฤติวจิตเจุจริญด้วยแล้วอาชีพบริสุทธิ์ คำว่าอาชีพบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เน้นตัวอาชีพอย่างเดียวเช่นถ้าอย่างโยมเนี่ยน ะ, ะไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นใช่ไหมไม่ค้าขายเก่ยงในเรื่องของยาพิษ ต, ต่างๆไปต้นใช่หหรือไม่ค้าขายพวกสุราไปต้นทำถูกต้องแต่จิตที่เกิดขึ้นแต่ละวันนั้นเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความเครียด เป็นไปกับความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นต้นแม้การขับเน้นอาชีพนั้นไปอยู่อาชีวประิสุทธิ์ที่ศีไม่เกิดขึ้นกับเราเลยทำอาชีพถูกแต่ใจไม่ผ่องใสเพราะผลปรากฏของศีลนั้นนะ่ะท่านดูสามตัวกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดต้องดูตรงนั้นนะทีรียวตะปที่เกิดขึ้นในใจต้องแข็งแรงต้องสูงเพราะเป็นเหตุกลของุตรศรี ฉะนั้นกรณีที่พระอาชีพต้องถูกบินฑบาตเลี้ยงชีพโดยการทํากิจในทางภาษาแล้โดยสรุปติเมเน้นตรงนี้นะอาชีวะเนี่ยนะแต่ตัวกุศุรศีนัยที่นั้นก็คือตัวสัมมาอาชีวะต้องเกิดคําว่าสัมมาอาชีวะนั้นนะ่ะที่บอกว่าเว้นจากกายยทุจริตสามวาจีทุจริตสใช่ไหมที่เกี่ยวกับอาชีพแต่ว่าในขณะที่ทําอาชีพไปนั้นน่ะ ทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาต้องไม่เกิดด้วยแล้วอาชีพต้องถูกต้องด้วยแต่ขับเน้นอีกทีก็คือไปดูผลถ้าศึกษาแค่นี้ไม่พอไงต้องดูผลปรากฏของกุศลศีลนะผลปรากฏของกุศลศีลก็คือว่าคําว่าศีละนะเนี่ยที่มาจะคําว่าทัตสมาทานังที่แปลว่าตั้งไว้ด้วยดีคําว่าตั้งไว้ด้วยดีแปลว่า ทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายด้วยกายทุจริตเป็นต้นที่นใช้ทำเนี้ยก็แปลว่าตอนนั้นน่ะทํามาชีพถูกด้วยกายทุจริตไม่เดินวจีทุจริตไม่เดินไม่เป็นไปเว้นจากการฆ่าการละ ก, การบวชผิดในกามได้จริงเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอได้จริงแล้วใจก็เป็นไปกับมโนทุจริตถ้าอย่างนี้แปลว่าผลของสีมันเกิดขึ้นเยอะอันนี้แปลว่ากรณีที่เราไปทําอาชีพ หรือที่เราประกอบอาชีพเป็นไปอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยท่านจึงขับเน้นที่มโนมโนกรรมด้วยต้องเป็นไปที่สะอาดกายสะอาดวาจาและใจก็ต้องสะอาดไหมแล้วความทุศีลก็ต้องไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือสะอาดใจเนี่ยต้องดูว่ามันเกิดความสุขแล้วเกินทํา ง, งานเนี่ยแต่มันสุขแบบโลภะสุขก็ไม่ใช่อาชีวะก็ต้องอันนั้นเป็นทุศีนอีกแล้ ก็ศีลเดินที่ชาวนาต้องเป็นกุศลจิตใช่ไหมอันนี้ก็ดูว่าตัวนี้เป็นอาชีวบระดิษฐิสิวันก่อนยอมก็ถามมาใช่ไหมอาธรรมราชกาอีกเนี้ยก็ต้องทำด้วยได้เป็นไปในลักสมานี้ยอันนี้สรุปตรงนี้แต่ในรายละเอียดในเกี่ยวกับตรงนี้มีมากเนาะปัจจารนต่อไปก็ข้อสุดท้ายคือปัจจัยยะสนิสิตาศีนก็คือการพิจารณาปัจจัยศีโดยแยกคาย พิจารณาจีวรถ้เป็นพระหรือถ้ายงก็ในือเครื่องนุ่งผมเดี๋ยวอาชีวะปฏิสุทธิศีลเป็นชื่อของวิริยะปัจญสันนิสิตาศีนเป็นชื่อของตัญยารือเป็นญาณสังวรนั่นเองใช่ไหมญาณสังวรในที่นี้เป็นการพิจารณาเพื่อบำบัดความเย็นบำบัดความร้อนเป็นต้นอย่างนี้นะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง่ะใช้สอยจีวรได้คําบอกว่า ยาวะเทวาเนะี่ยเป็นการกําหนดเขตประโยชน์แน่นอนนะประโยชน์ในการเสดจวรของผู้ปฏิบัติให้กําหนดบอกว่าเพื่อบําบัดความเย็นคือว่ากรณีที่เกิดความเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยธาตุก็จะกำเริบเพราะเหตุที่อุตุภายนอกหนึ่งเป็นปัจจัยก็เลยเพื่อจะบําบัด บ, บําบัดก็คือการบรรเทาซึ่งความเย็นนั้นโดยประการที่ไม่ให้มันเนี่ยทำความมาผ้าให้เกิดขึ้นในร่างกายเขาเรียก บ, บําบัด ก็แปลว่าถ้ามันเย็นขึ้นมามันมันจะทําให้ป่วยจะทําให้อาภาษพระบรมาศาสดาก็เลยประทานจีวร อ, อากาศมันหนาวพระองค์ก็ประทานสังฆติให้ตัวก็เป็นการเพิ่มเพื่อจะบังบัติความเย็นเพราะถ้าความเย็นเกิดขึ้นที่เกาะไปเบียดเบียนธาตุคือดินน้ําไปลมทําให้ธาตุไม่สมดุลกันเมื่อไหร่ก็จะทําให้การเจ็บป่วยเกิดขึ้นการเจริญศีลสมาธิปัญญาการเดินสิกขาสามก็จะไม่สะดวก พุทธมรรคศาสดามีพระเมตตาอย่างนี้ก็ทรงอนุญาตให้พระใช้สอยจีวรเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งผืนจากสองผืนกลายเป็นไตรจีวร อ, อย่างนี้ไปต้นเป็นสามผื น, นอันนี้ท่านรู้พุทธประสงค์อย่างนี้เราจะจะชัดว่าบำบัดความเย็นจีวรเพื่อบำบัดความเย็นก็คือก็เพิงทราบบอกว่าความร้อนก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแหละต้องเข้าใจใ น, นี้สัญลักษดังสมากสาวาตาสปากสลิงสปากสัมผัส า, ส า, ส า, สานังเนี่ยนะดังสาก็แปลว่าเหลือ หรบางแห่งอาจารย์บางท่านก็เรียกแมลงวันหัวเขียวมกักกสาตาตะแกยุงวาตาตาตะแกลมเนี่ยวาตานี่นะลมบุ่นเป็นต้นแล้วเนี่ยนะอาตาป่าตาตะแกผ้าทิศนี่นแหละอาตาป่าตัวนั้นนะสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะเสือคานมีตัวยาวเช่นงูเป็นต้นน่ะนะสลิงสปากกคือสัมผัสอันเกิดจากสัตว์ก็คือว่า สัตว์กัดบ้างถูกสัมผัสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วเนี่ยนะฉะนั้นสัมผัสย่อมเบียดเบียนพิสูจผู้นุ่งผมจีวรแล้วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพิสูจน์จึงเสียจีวรนเพื่อประโยชน์ป้องกันสัมผัสที่เกิดจากเหลือบบ้างยุงบ้างลมบ้า ง, างแดดบ้างเป็นต้นแล้วเนี่ยนะในสถานที่ทั้งหลายเพื่อถึงเขตกำหนดประโยชน์ที่แน่นอนจีวรนนั้นจึงอยู่การปิดอวัยวะส่วนที่ทําให้ความละอายสูญหายไปนั้นเป็นประโยชน์ที่แน่นอน ก็แปลว่าประโยชน์ที่แน่นอนจริงๆพอปิดแล้วเนี่ยทําให้ไม่อายถ้าเปิดเผยออกมาแล้วมันมันอายอันนั้นคือประโยชน์ที่แน่นอนนะประโยชน์โดยตรงเป็นอย่างนี้น บ, บาบัดความเย็นเป็นต้นเนี่ยมีได้าบางครั้งบางคราวอวัยวะที่แคบแคบเป็นต้นเหล่านี้คิลิโกโปีน่าก็คือว่าปฏิชัาตนังก็คือเมื่อองค์อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะถูกเปิดอยู่ความละอายก็ย่อมศูนย์ย่อมหายไป กรณีในลักษณะอย่างนี้เพื่อปกปิดเพื่อความละอายทั้งหลายต่างๆเป็นต้นนี่ยจะได้ไม่มีความละอายใช่ไหมจะได้ปิดความอายความละอายก็ย่ำหายไปลักษณะนั้นคือเป้าหมายยเหราะวัตถุประสงค์แต่เป้าหมายต่อมาก็คือ น, นั่นแหละเมื่อได้อีวรหรือที่อยู่หรือเสื้อผ้าทั้งหลายอะไรเนี่ยอันนี้โดยหลักเนี่ยท่านเราพิจารณาอย่างนี้จะเกื้อกูลคือหลักจริงๆไม่ใช่ต้องการเกิดมา เ, เพื่อต้องการมาปิดกายเล่นไปวันๆ นี่นท่านก็วางหลักไว้ให้ชัดในกรณีที่มาพิจารณาปัจจัยคือเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือจะได้ไม่ละอายให้เป็นไปตามสภาพของสังคมที่มันเป็นไปอยู่นั้นหลักแต่หลักต่อมาก็คือว่ามันร้อนมันหนาวใช่ไหมมันเย็นต่างๆเหล่านี้ยหรือเหลือบยุงไรต่างๆหรืองูหรือสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นจะมาฉกมากัดหรือว่ามาต่อยมาอะไรต่างๆเหล่านี้ยอันนี้คือหลักการป้องกันป้องกันอะไร ไม่ความอาภาตเกิดทางกายเมื่อความอาภาตเกิดทางกายและจิตใจก็เศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วเดินศีลสมาธิปัญญาหรทานศีลภาวนาไม่ได้พระองค์ก็ประทานอันนี้คือหลักของเครื่องนุง่งห่มใช่ไหมอันนี้พิจารณาตามอะไรตามหลักของศีลที่พระองค์วางหลักไว้เลยอันนี้ก็พิจารณาอย่างนั้นส่วนบินทบาทเนี่ยอาหารชนิดใดมีอยู่อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนะบินทบาทปินตาปาตานี่อาหารนะ ตกลงในบาตรด้วยพิษขาจารวัดของพิสูจนอีกอย่างหนึ่งการตกลงเห็นก้อนข้าวทั้งหลายก็ชื่อบินธาบาัตนะการตกลงของก้อนข้าวทั้งหลายก็เรียกบินธบาตความรวมกันการรวมกลุ่มเนี่ยของพิษสาทั้งหลายที่พิสูจน์ได้แล้วที่นั่นแหละไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพื่อเล่นคือไม่ใช่เราได้อาหารมากินอาหารเบ็ดเสร็จบริโภคอาหารแล้วเพื่อเล่นกีฬาเหมือนอย่างเด็กชาว บ, บ้านทั้งหลายไม่ใช่ถ้าเพ้าไม่ใช่เพื่อทํำร่างกายเสียงแรง ไม่ใช่เพื่อมัวเมามัวเมาคือเป็นเครื่องหมายความมัวเมากําลังเป็นเครื่องหมายของบุรุษเหมือนนักมวยทั้งหลายก็เรียกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เรามัวเมาเพื่อเกิดกําลังพลังทางกายเพื่อจะเป็นนักมวยเพื่ออยู่แข็งแรงไม่ใช่ไม่ใช่แข็งแรงเอาไว้ไปชกไปต่อยหรือไปออกําลังกายแต่วัตสุประงด์คืว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงจากการบริโภคอาหารเพื่อเป็นปัจจัยในการขัดเกลารูปอิริยาบถเกลารในการรากิเลสในการดับวัจะทุกข์เนี่ย ไม่ใช่เพื่อประดับประดับเนี่ยเป็นการเพิ่มเติม อ, อวัยวะที่มันท่องให้ไม่อูมให้ใจไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนอย่างหญิงชาววังเป็นต้นหรือที่เขาแต่งประดับประดาตกแต่งกันทั้งหลายไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เห็นประโยชน์ตรงนั้นแต่เรากินไปเบ็ดเสร็จถึงหัดท่านหิงยอยไม่ใช่ประดับนะไม่ใช่ตกแต่งเครื่องหมายเหมือนผู้มีผิวพรรณผ่องใสเหมือนหญิงที่เขาเล่นละคร หรือว่าเล่นภาพยนตร์ตั้งหลายไม่ใช่อย่างนั้นผู้ชายที่เขาตกแต่งสรีระกินอาหารเพื่อบรรลุบรเลอร่างกายไม้ทุกวันมีอาหารเสริมแรงดังนี่ไม่ใช่ว่ากินอาหารต่างๆบริโภคอาหารฉันอาหารต่างๆเหล่านั้นเพื่อจะมาจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านพิจารณาถึงโทษถึงขนาดว่า บ, าบรรดาอบัยสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในใ น, ในอาหารในขนมบูดใช่ ไ, ไหมในส้วมในสถานที่ต่างๆนั้นคือสัตว์ที่ติดอยู่ในรสชาติของอาหารใช่ ท่านก็ให้วิจัยลึกลงไปถึงขนาดนั้นเลยว่าว่าไม่ใช่ประดับไม่ใช่ตกแต่งไม่ใช่ความมัวเมาอย่างตางกันนะ้นวิจัยเพื่อไม่เกิดราษฎร์ตัญหาคือความยินดีพอใจในรสหรือในการบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นก็คือว่าเล่นก็คือเป็นอุปนิสัยโมหะไม่ใช่เพื่อมัวเมาก็คือไม่ใช่ว่าหัวตัดไว้โดยการประหารโทรสะก็หมายความบอกว่าเล่นเนี่ยตัดไว้เพื่อจะให้ประหารโมหะมัวเมาก็ตัดไว้เพื่อให้ประหารโทรสะ ไม่ใช่เพือประดับตรัสไว้เพื่อให้ปรหารราคะเห็นไหมกลุ่มประดับคือมีราคามากฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าไม่ประดับเนี่ยจะได้รัราคาได้ถ้ากลุ่มที่มัวเมาเนี่ยเพราะมีโทสะมากพระองค์ต้องการให้รับโทสะพระเจ้าเลยบอกไม่ใช่เพื่อโมเมาเล่นนี่คนที่มีโมหะมากจะชอบเล่นชอบซุกจน พระ อ, องค์ก็บอกไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อจะได้ตัดโมหะได้สรุปแล้วพระ อ, องค์เนี่ยบัญญัติกุศลศีลในทานมันได้ของปัจจยานิสิตาศีลเพื่อให้เข้าไปละราคะที่ชอบประดับละโทสะผู้อชอบหัวเมาละโมหะพวกที่เล่นทั้งหลายกินแล้วต้องการเล่นอย่างนักกีฬาทั้งหลายเป็นต้ัวหน่วยแน่นี่ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกกายนี้คือรู ป, ปกาย ที่บอกว่าท่านใช้คําว่ายาวเทวายาวเทวาเนี่ยกายนี้คือรูปกายทั้งหลายกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเยื่กายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเนี่ยกายในลักษณะยเนี้ยเข้าใจคําว่ากายใช่ไหมกายที่เป็นที่ประชุมของดินน้ําไฟลมเนี่ยถ้าเข้าใจว่าก็คือมหาพูดใช่ไหมที่เราพยายามแต่งอยู่เนี่ยแต่งดินแต่งน้ําแต่งไฟแต่งลม ก็ดินน้ำไปลมใบนอกเข้ามาอัดเข้าไปในดินน้ำไปลมใบในในกรรักากายเพราะจะตกแต่งเอามหมาพูดมาแต่งหาพูดเข้าใจใช่ไหมถ้าอาจารย์จะรักษากายนี้เห็นรู ป, ปรกายใช้ประกอบได้มยหาพูดเนี่ยเพื่อดำรงอยู่เนี่ยเพื่อความดำรงอยู่สื่อไปเนี่ยเพื่อความเป็นไปเพื่อความต้องการหนึ่งความเป็นไปโดยไม่ขาดสายหรือเพื่อดำรงอยู่ตลอดกาลพิสไม่ใช่เป็นลักษณะนี้ เอกสูรนิเศษปัจจัยเพื่อดำรงอยู่เพื่อความเป็นไปของกายเพื่อเป็นเจ้าของเรือนที่ทุดทรมทําการค้าจุนเรือนหรือพ่อค้าเรือนเก่าๆ เ, เ, เป็นต้นเหะไรเนี้ยบอกว่ากายเนี้ยเหมือนเรือนที่มันทุดทรมลงทุกวันทุกวันเข้าใจไหมการที่เราต้องการอยากให้เรือนหลังเนี้ยมันอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งเพื่อทําประโยชน์มันต้องซ่อมแซมกายไหมต้องแซมเรือนไหม ต้องซ่อมแซมเรือนถ้าอย่างนั้นมันจะอยู่ในเรือนหลังนี้เพื่อทําประโยชน์ไม่ได้ในกรณีที่จะเจริญกุศลเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ไถึงอริยามรรคยัง ไ, ได้บรรลุอริยผลยังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งปัญพานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยไอ้ตรงเนี้ยเรือนก็จะพังไปก่อนแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องซ่อมซ่อมแซมฉะนั้นเรือนโครงการรู ป, ปากายทั้งหลายเหล่านี้ต้องดูแลแต่เป้าหมายการดูแลเรามีฟองวัตถุประสงค์จริงไหมมันมีวัตถุประสงค์ ว่าเราต้องการนี้จะดูแลเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะไม่ใช่นอนตายอยู่กับเรือนเหล่านี้อโยมองคน์ต้องการจะนอนตายอยู่ในเรือนหลังนี้โดยไม่ได้ประโยชน์จากเรือนหลังนี้บ้าต้องการทําอะไรต้องการมาเดินทางสิงโหนนาเยอะฮะเนี่ยก็ตั้งหลักให้ถูกเพราะจริงๆเนี่ยเรือนหลังนี้เก่าอยังโทรมลงทุกวันนะเข้าพังไหมนะเข้านะเข้าแล้วก็ทิ้งก็ไปหาเรือนใหม่ ก็เสียหาอีกก็ไปอยู่นเรียนเก่าเรืยนพำอยู่นี่แหละแล้วมันก็ผิดพลาดกันมาอย่างยาวนานชีวิตเป็นแบบนี้ที่ประเด็นก็คือว่าพอเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็มีหลักหลักได้แล้วด้วยหลักประเด็นต่างๆเหล่านี้ความเป็นไปต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอ่ะการเสพปัจจัยต่างๆเหล่านี้ท่านถึงบอกว่าเพื่อความมัวเมาเพื่อประดาเพื่อตกแต่งคือต้นเหล่านี้ท่านจะกล่าวมันไปโทษยังไง อย่างหนึ่งก็คือในรายละเอียดตรงเนี้ยเวลาจท่านจะขยายพลิกสู่เศษปัจจัยแมะงับความเบียดเบียนเหมือนคนเนี่ยตัวยังท่านบอกเนี้ยกุญแจเนี่ยกุญแจที่มันจะลากเดินไปได้เนี่ยเียงมันดังเดี๋ยวว่ามันเบียดเสียดตัวเพากับตัวเหล็กอ่ะตัวเขาเรียกว่าดุมดุมกับเพลาอ่ะในเพลารู้จักเพลาไหมรู้จะเพาร้อเพาเกวียนไหมที่สอดเข้าในดุมอ่ะสอดเข้าไปแล้วเป็นแกนหลักที่ก้ยหมุน ก็เหมือนรถเราแหละคล้ายๆกันเนี่ยนะแต่ว่าที่กัลลอเดี๋ยวปัจจุบันนี้ไม่เป็นลักษณะนั้นจะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นตรงกลางของเวียนนั้นเลยนะเขาเรียกเป็นดุมกางดุมนั้นเขามีรูอยู่รูนั้นเป็นที่สอดทองเทาเทาเนี่เป็นเหล็กตัวดุมขอบดุมก็เป็นเหล็กตรงกลางเป็นไม้แต่เขาจะใช้ไอ้เหล็กนี่ไหมมันก็เหล็กลกับเ็ก็จะสีกันเวลามันหมุนไปอะที่พอไม่มีน้ํามันหยอดมันเป็นไง น, เนเัเท่านั่เท่าเหล็กจะขาดเลย อะไรขาดเกวียนพังไหมเกวียนก็พังก็เลยต้องใช้น้ํามันหยอดตลอดก็ทนทีเห่งการกินอาหารให้เหมือนกับใช้น้ํามันหยอดเผาคืนหยอดไม่ให้เสียงล้อร้องอ่เสียงเกวียนเสียงเผากระดุมเลยเสียสีกั น, กนจนร้อนเนะี่ยเขาจะใส่น้ํามันอยู่ตลอดจะหมดก็ใส่จะหมดก็ใส่ไม่ใช่ <laughs> ประเด็นมันตรงนี้ด้วยนะคือ ล้อไม่หมุนล้อเวียนไม่หมุนก็ยังไปใส่น้ํามันใายก็หกมวลหรือไม่ไงั้นก็ไปค้างเตออยู่นนั่นแหละเช่นไปกินอาหารกันก่อนนอนเนี่ยกินทําไมอามาถามคนมาเรื่องไรมันไม่มีประโยชน์ก็เวียนมันไม่เดินช่วงนั้นนะ่ะล้อเวียนมันไม่หมุนทําไมต้องใช้พลังขนาดหนักเลยที่จะนอนหายใจขึ้นเขาเข้าออกเข้าออกแค่นี้ยกลับไปก็ไปนั่งคิดใช่ไหม มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะกินอาหารและนอนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีไม่มีปัจยยสันนิสิตาสีนไม่มีทืเขาเรียกไม่มีโพชนเนมัตัญยุตาด้วยไม่รู้จักประมาณในการกินและขาดปัญญาในการกินเอาเราคิดอย่างนักลงทุนทั้งหลายเละเจ๊งลูกน้องไปทำงานอาัดแตงเดือนเดือนเ งานไม่เดินได้ยังอัดอยู่ในใจดีนักหนานะักเข้านะักเขาก็เรียบร้อยทํางานไม่ต็ดใช่ไหมยองสุวรรณหงก็กลับไปคิดว่าทําไมมันมันติดแล้วอันนี้ตัณหามันติดแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่กินนอนกินนอนก็ยังกินกันอยู่เลยเขากินแล้วมันต้องพะรุียนมันต้องเดินใช่ไหมหยอดน้ํามันแล้วเขาใช้เดินเขาไม่หยอดน้ํามันแล้วก็พักเกวียนหรอกมันต้องใช้ รชักากายหรือหยดหยอดน้ำมันอันนี้ก็เป็นนอนทีนี้เด็กไทยยุคหลังๆเนี่ยโรคเบาหวานโรคความดันโรคเต็มไปหมดเลยก็ไม่เอาไปสอนกันต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้จนเสียคนไปหมดไม่ใช่แต่เด็กแล้วผู้ใหญ่เข้าใจจะไหมว่าจริงๆเราขาดอะไรขาดปัจจัยสนิทศีลศีไม่พิจารณา คำว่าไม่พิจารณาแปลว่าไม่มียานะสังวรใช่ไหมปัญญาที่ต้องไปพิจารณาหรือไปวิจัยอันนี้ก็ไปใข่คนหรือพิจารณาอันนี้นี่เลยหลักๆเนี่ยนะที่ท่านบอกว่ากำจัดเวทนาเก่าไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นต้นจริ ง, รงๆตรงเนี้ยในรายละเอียดค่อนข้างเยอะที่อ่านมาว่าถ้าในรายละเอียดจริงๆันมีค่อนข้างเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการเสพปัจจัยเนี่ยเราจะกําจัดเวทนาก่าคือความหิวเก่าจากไม่ทําเวทน า, หาใหม่ให้เกิดขึ้นถ้าเกินประมาณ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเนอะการจะยกตัวอย่างบุคคลที่เวทนาเก่าเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอำนาของกรรมเก่านะอเกิดยังไงด้วยอาศัยการฉันอาหารบินาบาต ท, ที่ไม่สปายะและฉันเกินในเวลาปัจจุบันเราทําปัจจัยของเวทนาเก่านั้นให้หายไปด้วยการฉันบินาบาตอันเป็นสปายะและฉันพอประมาณเชื่อว่ากําจัดเวทนาเก่านั้น เวทนาใดที่เรียกวเวทนาใหม่เพราะเกิดขึ้นต่อไปโดยอาศัยการสั่งสมกรรมที่การฉันอาหารในสมควรของภิกษุถ้าทำแล้วในปัจจุบันเราไม่ให้มูลเหตุแห่งเวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งฉันตราฆ่าเนี้ยโดยการฉันอาหารเป็นต้นจกไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นก็หมายความบอกว่าบางคนเนี่ยก็มีที่เวทนาเก่านี้เกิดจะกรรมผลกรรมทุกเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากในดีที่เราทําำมา นั่นส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็คือเตโชธาเตโชธาเห็นที่เขาทำกิจในการมันจะย่อยอาหารเนี่ยมันเกิดกรรมนะมันก็มาเบียดเบียนกระเพาะของพระใช่ไหมทุกเวทนาแปลว่ากรรมเก่านะมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันจะต้องวิ่งหาอาหารดั บ, ลบลแล้วในปัจจุบันแล้วเราต้องการกำจัดเวทนาเก่าที่เป็นผลของกรรมเก่านั่แหละเป็นผลของดีตกรรมที่เคยทําไว้นี่แหละก็คอยเลี้ยง ม, มันอยู่นี่แหละเอาใจอยู่นี่แหละว่างั้นนะทั้งนั้นในตัวเนี่ย ไอ้ตัวเตโชธาบที่เกิดจตกรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่มาทํากิตในการย่อยอาหารในกระเพาะทั้งหลายเนี่ยมันก็จะก็ออกมาทํากิตในการย่อยนั่นเราก็จะดับเวทนาเก่าที่เกิดจตกรรมเก่าที่เคยทําไว้นี่แหละเพราะดับตรงนั้นได้เบสร็จนี้มาดับผิดซี่เพราะไม่พิจารณาอาหารส ป, ปายาบ้างไม่ส ป, ปายาบ้างทิมไม่ไพิจารณาบ้างอาหารถูกกระโรคหรือไม่ถูกกระโรคบ้าง ความอยากเป็นประมาณเขาไว้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รับรู้ทั้งนั้นนหน้าตามัวเมามันในการดื่มในการบริโภกคกันเบ็ดเสร็จก็ไปทําเวทนาใหม่เกิดขึ้นเข้าใจยังนี่เขาเรียกไม่กําจัดเวทนาใหม่ไม่ป้องกันเวทนาใหม่กินได้โมหะบ้างกินได้ราคะบ้างกินได้โทสะบ้างเป็นโทษนะเป็นโทษเลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นโรคขาอหานเป็นๆอันนี้ก็ในรายละเอียดก็เป็นไปในลักษณะนี้ยแล้วก็หลักหลักใหญ่ๆสรุปเลยดีกว่ามันยาวเยอะ นะก็คือว่าถ้าภาษาริบุตรเนี่ยท่านจะอยู่โดยภาสุขท่านบอกว่าในย่อบทสีเนี่ยนะท่านจะอยู่โดยภาสุขเนี่ยความภาสุขจะเกิดขึ้นจากการฉันพอประมาณถูกต้องพอประมาณก็คือว่าถ้าจะอีกสี่ถึงห้าท่าจะอิ่มไม่หยุดเลยดื่มน้ำตามเพราะนั้นจะทําให้ร่างกายภาสุขไม่ใช่เต็มแล้วยังอัดต่อเต็มแล้วยังอัดต่อจงึงเล่นต่ อ, อจากข้อหอยก็เลยมีพรามสี่คนที่กินอาหารใช่ไหมที่เคยกล่าว อีกคนหนึ่งกินจนต้องฉันที่ต้องฉุดมือลุกอะไรเงี้ยเนอะถ้ามันใครช่วยช่วยฉุดหน่อยเงี้ยอีกคนหนึ่งต้องกินต้องขยายเฉ็นขับอยู่เรเลยเนยอีกคนหน pues nope. <iento S 2> ึ่งก็ต้องกินจนล้นออกมาเลยเงี้ยเแต่กินจนนอนกลิ้งคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกินจนต้องไหลออกมาให้ปลาให้ไก่กินอย่างนี้ยดีกว่าเกินกว่เห็นใช่ไหมบางคนบองโอ้หวันนี้กินอาหารจะนอนไม่ได้เลยเนี่ยกลับมากินอิมิตรเคยเป็นขนาดนั้นไหมล่ะกินจะนอนไม่ได้ นอนแล้วเจ็บท้องเลยปวดท้องเลยยังไม่เป็นเนาะเนี่ยต่อไปท่านก็จะสอนในเรื่องการเสพเสนาสนะเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ตั้งประเด็นเลยเนี้ย